วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่ปวงชนชาวไทยจึงได้ทางราชการทางรัฐบาลจึงได้กำหนดวันที่12สิงหาคมของทุกๆปีไว้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระคุณของพระบรมราชนีนาถและเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสลำลึกถึงพระคุณของคุณแม่และของคุณพ่อผู้เป็นผู้บังเกิดกล้าวเพื่อะจะได้แสดงความก ต, ตันยูก ต, ตะเวที ตามแต่สมควรแก่ฐานะของแต่ละท่านเพราะการมีความกระตัญญูกรตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้นพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวงคนเราจะดีได้นั้นต้องมีความกระตัญญูกรตะเวทีเป็นพื้นฐาน ถ้าเป็นคนเนรคุณหรือเป็นคนที่อักขันอยู่จะเป็นคนดีไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะคนที่มีบุญคุณกับเราขนาดพ่อแม่เรายังไม่มีจิตสำนึกเห็นบุญคุณของท่านแล้วเราจะไปเห็นบุญคุณหรือความดีของผู้อื่นได้อย่างไร เมื่อเราไม่มีจิตสำเนึกมีความกะตัญอยู่เราก็จะทำอะไรไปตามความโลภความโกรธความหลงของเราจนไม่คำนึงถึงบุคคลที่มีพระคุณแก่เราถึงกับทำร้ายบุคคลที่มีพระคุณของเราก็ได้แต่ถ้าเรามีความกะตัญอยู่กะตะเวที เราจะรู้ว่าบุคคลใดที่เราไม่ควรที่จะแตะต้องไม่ควรที่จะล่วงเกินไม่ว่าในกรณีใดทั้งหลายก็ตามจะยกให้เป็นกรณีพิเศษต่อท่านผู้มีพระคุณเพราะท่านมีความเมตตามีความกรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือเรา ถ้าเราไม่มีบุคคลเหล่านี้เราจะเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าเช่นพ่อแม่ถ้าเกิดมีลูกแล้วก็ให้เอาออกเสียก่อนที่จะคลอดออกมาก็จะไม่มีเราก็จะไม่มีทางที่จะออกมาเป็นมนุษย์มาเจริญเติบโต เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ได้แต่เนื่องจากความเมตตาความกรุณาของพ่อของแม่ที่อุตสาห์อุ้มท้องแล้วก็เมื่อหลังจากคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาก็ดีไม่ว่าจะเป็นมรดกทรัพย์สมบัติต่างๆก็ดีเป็นสิ่งที่บิดามารดามอบให้กับลูกๆทั้งหลายดังนั้นเราจึงควรล้ำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราไม่ล้ำลึกแล้ว เราจะลืมได้เพราะในชีวิตของเราในแต่ละวันเรามักจะมีภารกิจการงานต่างๆเรื่องราวต่างๆมาคอยรบเราให้เราต้องทําต้องดูแลใจของเราก็จะต้องมัวคิดอยู่กับเรื่องภารกิจการงานต่างๆกับการแก้ปัญหาต่างๆในแต่ละวันจนทําให้เราไม่มีเวลานึกถึง พ่อคุณของพ่อของแม่และเราก็จะทําให้เราห่างไกลจากพ่อจากแม่เหมือนกับไม่เหลียวแลท่านไม่เคยติดตามดูว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างเลยแต่ถ้าเราลําลึกถึงพ่อคุณของพ่อของแม่ทุกเช้าทุกเย็นเช่นเวลาที่เราตื่นขึ้นมาหลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็ควรจะ กราบพ่อกราบแม่ด้วยแม้ว่าท่านจะอยู่กับเราหรือไม่การกราบนี้ไม่จําเป็นจะต้องกราบต่อหน้าท่านการกราบนี้เพื่อเป็นการเตือนตนให้ไม่ลืมไม่ให้หลืมตนให้ลําลึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงสุดกับตัวเราเองคือพ่อกับแม่ถ้าเราได้กราบพ่อกับแม่ทุกเช้าทุกเย็นแล้ว เราก็จะมีเวลาที่ลำลึกถึงพระคุณของท่านและจะทำให้เราคิดถึงท่านอยากที่จะติดตามดูแลความร่มเย็นเป็นสุขของท่านสมัยนี้เราก็มีการติดต่อกันได้อย่างง่ายดายคือมีโทรศัพท์อย่างน้อยวันหนึ่งเราควรจะโทรไปคุยไปทักทายกันเล็กๆน้อยๆ ให้ให้รู้ว่ายังคิดถึงกันอยู่ยังห่วงใยกันอยู่และถามไทยสารทุกขสุขดิบเกิดท่านเป็นอะไรไปเราจะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณของท่านเพราะว่าการทดแทน บ, บุญคุณของท่านนี้มันมากมายจนมากกว่าที่เราจะสามารถทดแทนให้หมดได้ ดังนั้นเรามีโอกาสที่จะทดแทนได้มากน้อยเปลี่ยงไรขอให้เราพยายามทำกันเพราะการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี้เป็นเหมือนกับทำบุญกับพระพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบิดามารดาว่าเป็นเหมือนพระพรหมเหมือนพระอรหันต์ของลูกๆถ้าเราอยากจะทำบุญกับพระอรหันต เราไม่ต้องไปที่ไหนไกลทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านของเราก่อนดูแลพระอรหันต์ที่บ้านของเราให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก่อนแล้วค่อยไปทำบุญกับพระอรหันต์ที่นอกบ้านต่อไปถ้าเราไม่ดูแลไม่ทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านแล้วเราไปทำบุญกับพระอรหันต์นอกบ้าน เราจะไม่ได้บุญเท่าที่ควรเพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีที่พึงจากกรํานั่นเองถ้าเราไปกราบพระอรหันต์ท่านก็จะสอนให้เราเข้ากลับไปดูแลพ่อแม่ของเราเพราะพ่อแม่ของเรานี้เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่มีพ่อไม่มีแม่จะมีเราได้อย่างไร พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดทางร่างกายของเราส่วนจิตใจของเรานั้นมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีพ่อแม่อยู่สองส่วนพ่อแม่ทางร่างกายและพ่อแม่ทางจิตใจพ่อแม่ทางร่างกายก็คือพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาส่วนพ่อแม่ทางจิตใจก็คือบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ ในอดีตและในปัจจุบันนี้จะเป็นตัวที่จะกำหนดให้จิตใจของเราสูงต่ำดีชั่วอยู่ที่จิตใจอยู่ที่กรรมอยู่ที่บุญที่เราทำกันดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มีพ่อแม่ทางจิตใจที่ดีเราก็ต้องทำแต่บุญอย่าทำกรรมเพื่อเราจะได้มีพบชาติที่ดีต่อไปได้กำหนดที่ดี จากการได้ทำบุญและถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้มาเกิดกับพ่อแม่ที่ดีและเมื่อเราได้พบกับพ่อแม่ที่ดีให้กำเนิดกับเราเราก็ต้องลำลึกถึงพุ่ณของท่านและพยายามทดแทนบุญคุณของท่านอย่างสม่ำเสมอจนกว่าชีวิตจะหาไม่แม้หลังจากที่ท่านตายไปแล้ว เราก็ยังทดแทนบุญคุณให้กับท่านได้อยู่คือเราสามารถทําบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทานี้ไปให้กับท่านได้ถ้าท่านอยู่ในฐานะที่รอรับส่วนบุญนี้อยู่ท่านก็จะได้รับไปถ้าเราทําบุญแล้วไม่กรวดน้ำไม่อุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลท่านถึงแม้ถ้าท่านรอรับอยู่ท่านก็จะไม่ได้รับ เพราะเราต้องอุทิศเราต้องกำหนดขึ้นมาภายในจิตใจของเราการอุทิศบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำก็ได้มีน้ำจะใช้น้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็ไม่ใช้ก็ได้เพราะบุญนั้นอยู่ในใจของเราเวลาเราอุทิศเราอุทิศที่ใจเพียงแต่เราใช้น้ำเป็นการสาธิตเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงกระแสบุญว่าเป็นอย่างไร กระแสบุญนี้เปลี่ยนเหมือนกับกระแสนา้าเวลาเราเทน้าลงไปในแก้วในภาชนะที่รองรับแล้วเราก็ลํำลึกถึงพระคุณกล่าวในใจว่าเขาทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่พ่อให้กับแม่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าท่านรอกำลังรอรับอยู่ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนนี้ไปเถิ น, นี่นี่คือความหมายของการอุทิศ บุญกุศลอุทิศแห้งก็ได้อุทิศเปียกก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราต้องทาบุญก่อนถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่สามารถที่จะอุทิศบุญได้เหมือนกับเราถ้าเราไม่มีเงินเราจะเอาเงินให้คนอื่นได้อย่างไรเราต้องมีเงินก่อนเราต้องทำบุญก่อนเมื่อเราทาบุญแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญส่วนนี้ไปให้กับท่านได้ แต่บุญอุทิศนี้เป็นบุญที่ไม่มากเท่ากับบุญที่เราทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เบียดเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานเป็นเซี่ยวหนึ่งของเงินที่เรามีอยู่เป็นเซี่ยวหนึ่งของบุญที่เราทำเท่านั้นเพราะฐานะของผู้ที่รอรับบุญนี้ไม่สามารถรับได้มากไปกว่านั้นฐานะเขาเป็นเหมือนขอทาน เวลาเราให้เงินขอทานเราก็ให้เขาไม่มากเพราะฐานะของเขาไม่สามารถที่จะรับได้มากไปกว่านั้นทันใดผู้ที่อยู่ในฐานะรอรับส่วนบุญนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนขอทานถึงแม้เราอยากจะให้มากขนาดไหนก็ตามก็ได้เพียงเสี้ยวหนึ่งของบุญที่เราทำเท่านั้นเองยังอย่าไปหวังรอรับส่วนบุญหลังจากที่เราตายไปแล้ว ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราควรที่จะทำบุญให้มากๆเพราะเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในฐานะของทาของขอทานทางด้านจิตวิญญาณเราจะไปเป็นเทพเป็นพรหมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ต้องรออาศัยส่วนบุญอุทิศจากผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่สนใจกับการทำบุญทำความดี มัวแต่ทำบาปทำกรรมมัวแต่โลภโกรธหลงอยู่เรื่อยๆเกิดเวลาที่เราตายไปเราก็จะไปตกอยู่ในฐานะของขอทานที่จะต้องคอยรอ บ, บุญอุทิศของผู้อื่นที่เป็นเหมือนกับเศษเงินเศษทองเล็กๆน้อยๆพอให้ประ ท, งทังชีพไปได้วันๆหนึ่งเท่านั้นเองจึงไม่ควรประมาทในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ขอให้เราทำบุญต่างๆกันให้มากๆเริ่มต้นตั้งแต่การดีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้บังผู้มีพระคุณคือผู้บังเกิดเกล้าของเราถ้าอยู่กับท่านก็คอยรับใช้ท่านถ้าท่านอบรมสั่งสอนก็ขอให้ฟังด้วยความเคารพอย่าไปเถียงคำสอนของพ่อของแม่ ท่านพูดอะไรจะถูกใจเราหรือไม่ก็ตามจะปฏิบัติตามได้หรือไม่ก็ตามนั้นไม่สำคัญขอให้เรารับฟังไว้เฉยๆก่อนเพื่อเป็นการแสดงมารยาทที่ดีของลูกแสดงความเคารพต่อพ่อกับแม่เหมือนกับเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ฟังด้วยความเคารพ ฟังด้วยความสงบเสงี่ยมเจียมตัวส่วนสิ่งที่ท่านพูดนั้นเราจะเชื่อหรือไม่หรือเราจะนําไปปฏิบัติหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นปัญหาอะไรผู้ผู้เทศผู้สอนก็ไม่ได้ถูกมัดกับผู้ฟังว่าจะต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์จะนำเอาไปปฏิบัติ มันก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ปฏิบัติเองถ้าฟังแล้วเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะโทษตามมาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนำไปปฏิบัตินะแต่ในขณะที่ฟังผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าเทศนนาว่ากล่าวก็ดีก็ไม่ควรที่จะเถียงไม่ควรที่จะตอบโตนะ้เพื่อเป็นการรักษามารยาทที่ดีไว้ พ่อแม่สั่งสอนอย่างไรจะถูกใจเราหรือไม่ก็ตามก็ขอให้ฟังไว้เฉยๆอย่าเถียงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ก็พูดด้วยความห่วงใยพูดด้วยความรักเพราะพ่อแม่นั้นผ่านโลกมาก่อนเรามีประสบะการณ์มากกว่าเราเคยเคยเจอปัญหาเคยเจอความทุกข์ต่างๆมาแล้ว เมื่อเห็นเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ปัญหาเ mm. ข้าสู่ความทุกข์ mm. ก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องคอยเตือนเราคอยห้ามเรา mm. ถ้าเราไม่เชื่อ mm. เดี๋ยวทาไปแล้วเราก็จะรู้เอง mm. เมื่อเกิดผลเสียแล้วก็อย่าไปโทษพ่อโทษแม่ว่าทำไมไม่เตือนทำไมไม่สอน mm. เพราะว่าพ่อแม่สอนแล้วเราไม่ฟังเราไม่เชื่อเอง พ่อแม่มีหน้าที่ต้องคอยสั่งสอนเราเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยรับฟังเชื่อฟังและให้ความเคารพนี่คือการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีอย่างหนึ่งคือเชื่อฟังบิดามารดาให้ความเคารพแก่บิดามารดาและเมื่อท่านถึงเวลาที่ท่านแก่เท่าลงไม่สามารถดูแลตัวท่านได้ เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านเหมือนกับท่านเลี้ยงดูเราในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเพราะต่อไปท่านก็จะเป็นเหมือนเด็กเพราะท่านจะไม่สามารถทำอะไรเองได้ต้องนั่งรถเข็นต้องให้ลูกเข็นรถมาที่วัดมาทาบุญอย่างนี้เป็นต้นเป็นการกระทาที่ประเสริฐสำหรับลูกๆที่จะทำต่อพ่อกับแม่รับรองว่าถ้าได้ทำ จนชีวิตของพ่อแม่จะหาไม่แล้วตายไปจะไม่ต้องไปตกกระบยอย่างแน่นอนจะได้ไปสู่สุขคติเพราะได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ได้ทําบุญกับพระพรมนั่นเองจึงขอให้พวกเราพยายามลำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อยู่เรื่อยๆทุกวี่ทุกวันและพยายามกราบท่านทุกเช้าทุกเย็น มีโอกาสที่จะโทรไปคุยกันก็โทรไปหามีโอกาสที่จะแวะไปเยี่ยมก็แวะไปเยี่ยมมีโอกาสที่จะนำอะไรไปฝากท่านก็นำไปฝากท่านหรือพาท่านไปวัดไปทำบุญหรือไปตามสถานที่ต่างๆ ท, ที่ท่านต้องการจะไปเป็นการรับใช้ผู้อื่นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่ง น, นี่คือหน้าที่ของลูกๆ ที่จะเพิ่มใกระทาต่อผู้มีพรกคุณทาแล้วก็จ ะ, ก, ะก็จะเป็นคนดีคนอื่นก็เห็นคนที่มีความกตัญญูกตเตเวทีเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนจะช่วยเหลือเพราะเขารู้ว่าช่วยเหลือคนอย่างนี้แล้วไม่เสียหลายอย่างน้อยเขาก็จะไม่เนรคุณดีกว่าทํากับคนที่ไม่มีความกตัญญู ต่อบิดามารดาเวลาไปช่วยเหลือเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะนึกถึงบุญคุณเราหรือเปล่านึกเขาจะกระตนเขาจะเนรคุณหรือเปล่าเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราช่วยเหลือคนที่มีความกระตันอยู่เรามีความมั่นใจว่าเขาจะไม่ทําร้ายเราอย่างแน่นอนเพราะคนที่มีความกระตันอยู่ย่อมยก เว้นคนที่มีพระคุณแก่ตนจะไม่ล่วงเกินโดยเด็ดขาดอย่างแน่นอนนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของความมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป